หญิงโรสกับนกทองกล็ลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจากักรทางไกลมีเจ้าหญิงคนหนึ่งสวยเธอสวยเด่นมากเพราะเธอมีผมแดงยาวและเธอชอบกุหลาบรักมากจนทุกคนเรียกเธอว่าเจ้าหญิงโรสทุกคนในอาณาจักรรักเธอเด็กๆมาหาเธอพร้อมกับกุหลาบคนหนึ่งเอากุหลาบแดงคนหนึ่งเอากุหลาบขาว และสุดท้ายเอากุหลาบเหลือยงมาเจ้าหิงโรสท่าชอบกุหลาบของใครที่สุดอ๋อฉันชอบกุหลาบทุกดอกในโลกเลยล่ะแล้วเธอก็กอดพวกเขาด้วยกัน <c oughs> แล้วจักระที่พวกเขา <c oughs> เด็กทุกคนหัวเราะลั่น <c oughs> ทุกๆุกเย็นเจ้าหญิงโรสจะออกไปที่ระเบียงแล้วปลบมือ <c oughs> อ้าวมาเลยนกน้อย นกทองบินมาจากที่ไหนไม่รู้แล้วเกาะลายของเธอจากนั้นผมของเธอก็ส่องแสงสีแดงมากขึ้นโอ้เจ้านกน้อยแสนสนชอบเล่นกับผมฉันสินะจากนั้นนกจะเริ่มพึมพรพมแล้วร้องทำนองออกมาเจ้าหญิงโรสก็ร้องเพลงด้วยและทุกคนในอาณาจักร จะนอนหลับฝันดีตอนเย็นอ๋อเสียงเพราะจริงๆเลยฝันดีนะทุกคนฝันดีปีหนึ่งผ่านไปทุกเย็นเจ้าหญิงโดสกับนกสีทองของเธอจะร้องเพลงทุกวันทุกคนจะนอนหลับแล้วก็ฝันดีจนฟ้ารุ่ง กรท่งวันหนึ่งมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแม่มดร้ายรู้เรื่องเจ้าหญิงโรสขึ้นมาเจ้าหญิงร้องเพลงแต่แม่มดกลับดับหูนางลาลาลาลาลาลาลาลลลลอ่าฉันไม่ชอบมันมันดีเกินไปรัดเกินไปแม่มดตัดสินใจสาปนางอบคาคัดาบราซิมซาลาบิม เมลีคาลาดิมจากนั้นผมงเจ้าหญิงโรสก็กลายเป็นสีดำสนิทเกิดอะไรขึ้นกับผมของฉันนะแต่ฉันต้องร้องเพลงให้ประชาชนฟังทำให้พวกเขาฝันดีก่อนเย็นนั้นเจ้าหญิงโรสออกไปที่ระเบียงแล้วปรบมือแต่เมื่อนกสีทองมาผมของเธอก็สะท้อนสีดำแทนที่จะเป็นสีแดง อ oh, มนะนกร้องทำนองอีกเจ้าหญิงโรสร้องเพลงกล่อมของเธอทุกคนในอาณาจักรหลับฝันไปแต่คืนนั้นทุกคนฝันร้ายฝันไม่ดีอระเจา้าน่ากลัวมากเลยอ๋อเห็นแต่ความมืดฉันเห็นงูทุกที่เลยละ่ะฉันเห็นว่าตัวเองจมน้ำทะเลฉันไม่กล้านอนแล้วตอนนี้ วันถัดไปเจ้าหญิงที่เศร้าเรียกนกมาแล้วระบายความในใจหาทางออกเจ้านกฟังข้าหน่อยนะบอกมานกสีทองฉันจะทำยังไงให้ทุกคนฝันดีอีกครั้งจนถึงเช้านะผมดำในน้ำกุหลาบผมดำในน้ำกุหลาบล่ะมันช่วยเหรอข้าสงสัยจัง เจ้าหญิงสงสัยในคำปรึกษาแต่ก็ยังทำตามเธอเติมอ่างอาบน้ำของเธอแล้วเอากลีบกุหลาบไปโรยในนั้นจากนั้นเธอก็เอาผมไปจุ่มน้ำแล้วมันก็กลับมาเป็นสีแดงโอ้โตายกลับมาเป็นสีแดงแล้วขอบคุณนะเจ้านกขอบคุณเย็นนั้นตอนที่นกมาเกาะไหลเธอ ผมแดงของเธอก็ทำให้ท้องฟ้าสะท้อนสวยอีกครั้งเจ้าหญิงร้องเพลงกล่องและทุกคนในอาณาจักรก็หลับฝันดีจนเช้าอีกครั้งอะไรกันจะกลับมาเหรอแม่มดโกรธมากที่คำสาปของนางสลายนางเลยตัดสินใจที่จะสาปใหม่อ้าเราจะต้องสั่งสอนด้วยพลังของเรา อาบาคราดาบราซิมซาลาบิมเมลิคาลาดิมผมของเจ้าหญิงกลายเป็นสีดำอีกแล้วเออไม่นะไม่อีกแล้วเราเป็นอะไรไปนะแต่ครั้งนี้แมหมดกรรมจัดผู้หลาบทุกดอกในอาณาจักรนางเห็นเจ้าหญิงร้องไห้แล้วสะใจมาก ว่าแกจะทอนคำสาบยังไงเจ้าหญิงถามนกอีกแล้วบอกมาเจ้านกข้าจะทำให้คนของข้าฝันหวานจนเช้าอีกครั้งได้ยังไงและนกก็ตอบคำถามเหมือนเดิมพอมนมในน้ำกุหลาบแต่ในอนณจกนักรนี้ไม่เหลือดอกกุหลาบอีกแล้วนะพอ ม, มําในน้ำกุหลาบ นกร้องแล้วก็บินหนีไปอาขอละ่ะอย่าไปเลยขอทางอื่นให้ฉันด้วยเจ้าหญิงไม่รู้จะทำยังไงเธอเศร้ามากน้ำตาหยดลงไปที่พื้นด้านล่างตอนนั้นเจ้าชายที่อายุน้อยและหล่อเหลามาหยุดยืนอยู่ที่ใต้ระเบียงเขาเอากล่องเล็กๆออกมาเอาผมสีแดงเส้นหนึ่งออกมา เขานั่งลงแล้วเอาผมนั้นวางบนน้ำตาของกุหลาบจากนั้นก็เกิดปฏิหารผมแดงก็กลายเป็นกุหลาบแดงอ๋อน่าจะใช้ได้นะเนี่ยเจ้าชายเอากุหลาบไปให้กับเจ้าหญิงนี่เพื่อท่านเจ้าหญิงแสนสวยอ๋กุหลาบเจ้าไปเจอมาได้ยังไงข้าทำมันเอง ด้วยน้ำตาของเจ้ากับผมสีแดงเจ้าหญิงโรสตื่นเต้นมากเช็ดน้ำตาและเด็ดกุหลาบใส่ลงไปในอ่างน้ำจากนั้นเธอเอาผมแช่น้ำแล้วผมของเธอก็กลายเป็นสีแดงอีกครั้งทุกคนทึ่งจนอ้าปากโอ้นี่มันเวทมนต์ชัดๆเลยโอหนุม่มเจ้าไปเจอผมแดงมาจากไหนท่านราชา ตอนข้ากับเจ้าหญิงเด็กๆเนี่ยข้าเก็บผมของนางมาเส้นหนึ่งเพื่อเป็นสัญญาณของความซื่อสัตย์และนางเองก็ทำเหมือนกันนางเก็บเส้นผมของข้าเอาไว้ด้วยมันจริงท่านพ่อเจ้าหญิงยืนยันและเอากล่องออกมาเธอเปิดกล่องเอาเส้นผมของเจ้าชายออกมาทุกคนตื่นเต้นกับข่าวข่าวนี้มากเจ้าหญิงกับเจ้าชายจึงแต่งงานกันในวันนั้นเลย เมื่อรู้ว่าคำสาปโดนถอนแม่มดร้ายโมโหขึ้นมากจนตัวเองระเบิดร่างสลายเป็นชิ้นๆไายสุดท้ายดอกกุหลาบก็โตในทุกส่วนของอาณาจักรอีกครั้งและหลังจากนั้นทุกเย็นเจ้าหญิงโรสจะร้องเพลงกล่อมของเธอเหมือนเดิม ประชาชนทุกคนก็หลับฝันดีหลับฝันหวานจนเช้าเหมือนเดิม